สอบถามภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุสองประการคือจะทรงแสดงธรรมอย่างหนึ่งจะทรงบัญญัติศิกขาบทแก่พระสาวกอย่างหนึ่งลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระอุปเสศน์วังคันตบุตรว่าเธอมีพรรษาเท่าไรภิกษุท่านพระอุปเสศน์วังคันตบุตรกราบทูลว่าข้าพระองค์ได้สองพรรษาแล้วพระพุทธเจ้าข่าภิกษุรูปนี้มีพรรษาเท่าไร มีพรรษาเดียวพระพุทธเจ้าข้าภิกษุรูปนี้เป็นอะไรกับเธอเป็นสัตทธิวิหาริก ข, ของข้าพระองค์พระพุทธเจ้าข้า